ตาตื่นใจมีแพ้ปีที่ผ่านมาเลยเพลเพลอาจจะมีทีท่าสนุกกว่าปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปหนุ่มสาวชาวมเมสเสเียงต่างควงคู่กันออกไปเต้นระบำฟ้อนรำกันอย่างเพลิดเพลินใจไม่ยกเว้นแนมะ้แต่ศีลากับหนุ่มบางกอกคนนั้นหนุ่มบางกอกคนนั้นดูโดดเด่นเหลือเกินก็เข้าหน้าตาไม่เหมือนชาวเขาหมู่เฮาเลยนี่นา ถึงแม้เขาจะแต่งตัวชาวเขาเผ่าเราก็ตามทีแต่เขาก็โดดเด่นมากดูสะดุดตาเสาวต่างชากันมองเขาไม่ละสายตาเลยทีเดียวจะว่าไปแล้วก็รู้สึกอิจฉาศีลาเหมือนกันคนอะไรก็ไม่รู้มิแต่ผู้ชายรุมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังเรากับตัวเองเป็นดอกเบญจมาศล่อเหล่าพมรถลาลมลงมาดอมดม ไม่มีว่างเว้นแม้แต่สักเวลาเดียวก็ว่าได้เราเองลึกๆก็อยากเป็นอย่างศิลาเหมือนกันแต่ว่าความจริงแล้วยังไงเราก็ทำตัวเหมือนเธอไม่ได้เพราะเราไม่ได้สวยเหมือนศิลาไอ้ไม่สวยก็ยังไม่เท่าไรผิวพรรณผุดพองอย่างเธอก็ยังพอไหวอยู่นะแต่นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนอกจากเราไม่สวยแล้ว ผิวพรร์ก็ยังไม่ได้อย่างเธอแทนยังอ้วนอีกตั้งหากโอ้ยกงลงมองสารรูปตัวเองแล้วก็รู้สึกอดสูใจจังทำไมรูปร่างเราถึงได้อัปลักษณ์อย่างนี้นะยิ่งส่องเงาในน้ำทีไรก็ต้องร้องเสียงหลงทุกทีเลยนี่เราเหรอทำไมมันเหมือนผีนก็ไม่รู้คิ้วก็โดกตาก็ดำ จมูกก็ออกจะบี้ไปหน่อยืปากว้างไปมั้งริมปากโลนหนาด้วยแถมจะมีฝออีกเม็ดโตไว้ประดับความอปอลักษ์ตรงมุมปากด้วยแนะเฮ้ยดูดูดูดูดูหนุ่มบางกอกระบากับสีลาสิตางคนต่างเอามือจับที่เอวของตัวเองข้างเดียวแล้วมืออีกข้างนึงก็ชูขึ้นสูงจับด้วยกันแล้วก็กระโดดนิดนิด ยกขาข้างหนึ่งขึ้นพร้อมกันแล้วก็โยกน่อยๆตามเสียงปลบมือของคนร้องอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงที่วัยมากกว่ามันเหมือนเป็นการเต้นระบำหาคู่นั่นแหละจะว่าไปแล้วงานวันเนี้ยเป็นงานเพื่อให้หมู่เฮาชาวเขาซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ได้มีกิจกรรมร่วมกันสนุกสนานด้วยกันพอใจกันก็คบกัน แล้วก็แต่งงานกันคู่ไหนจะแต่งหรือจะเลิกกับวันนี้แหละเฮ้ยแล้วเราล่ะปีเนี้ยเราจะได้แต่งผัวไหมเนี่ยหรือจะต้องนอนกอดหมอนนอนหนาวอีกหนึ่งหนาวแล้วก็รอหนาวหนา้าเผื่อจะมีผู้ชายตาสูงหลงเข้ามาปิ๊งปังเราโอ๊ยพระเจ้าช่วยลูกด้วยเถิดให้ลูกได้ผัวในปีนี้ด้วยาทีเถอะ นาวกายหนาวใจเหลือเกิน หื อ, อยากออกไปเต้นราระบายอารมณฟ้อนกับใครเข้ามหมก็ถามมาอ่ะก็ถามดูอ่ะเห็นจ้องตาแม่งก็พิบเลยอ่ะคงอยากออกไปเต้นจนจะขาดแล้วสิที่เข้ามาพูดแบบเนี้ยเพราะต้องการเยอะเย้ยฉันใช่ไหมล่ะใช่แต่ฉันว่าใช่แล้วกันทาไมคิดอย่างนั้นเล่าก็เร่ไม่จริงอ่ะไม่จริง<ะ>ถ้าคิดถ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นจะเข้ามาขอเองเป็นเต้นราฟ้อนด้วยกันทําไมเล่าไม่ต้องเลยอ่ะ ไม่ต้องมาแสดงความสมเพศฉะหน่อยเลยเปล่าไม่ได้คิดอย่างนั้นอาซาบ้าให้ก็ได้ <c oughs> วันนี้เป็นวันดีวันคริสต์มาสมีทั้งหลายคู่มีความสุขสมหวังในความรักเป็นวันรวมหมู่เฮาชาคริสตแม่เสลียงเพื่อสร้างความปรองดองกันแล้วไม่ยืนร้องให้ทําไม <c oughs> ไม่ต้องเลยพี่พี่เองก็ไม่แตกต่างไปจากฉันสักเท่าไหร่หรอกมมมหอ <c oughs> กมายความว่าไงฮะก็หมายความว่า ก็ต้องเก็บความช้ำใจไว้คนเดียวเหมือนกันน่ะเคยได้ยินคําคํานี้ไหมล่ะไม่เคยอ่ะฉันยังไม่ได้พูดอ้าวรือว่าพูดแล้วซะอีกคําไหนอ่ะน่าชื่นอกตรมยังไงเราใครน่าชื่นอกตรมก็พี่ไงอะ่ะ <laughs> พี่ไม่ต้อมาแกล้งหวัวเราะเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกจริงๆหน่อยเลยอยคิดมากสิอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดตอนเนี้ยนะข้าอยากออกเปก็นต่งนํากับเองจริงๆหรือไม่อยากจะเล่นกับข้า ที่ไม่ได้เยาะเย้ยฉันแม่นะปกูกว่าไม่ก็ไม่เซ่ว่าไงก็ได้ฉันออกไปเต้นรำกับพี่ก็ได้งั้นเชิญ เ, ออเดี๋ยวสิพี่อะไรอีกล่ใช่ดูหน้าฉันหน่อยสิดูทำไมหน้าอย่างกับผีพี่สูเวอว่าฉันอีกแล้วนะ <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นห <c oughs> น้าฉันยังมีข้ามน้ำตาหรือเปล่าอ้ยเห็นเป็นทางเลยเหมันทานน้าไหลเลยนะเนี่ย <c oughs> จริงเหรอพี่ มีคราบเห็นเป็นทางเลยเหรอ <c oughs> ใช่ก็เอ็งโปะแป้งสัก ข, ขาวขนาดเนี้<ม> <c oughs> พอโดนน้ำตาเข้ามันเลยเป็นคราบ <c oughs> จนกลายเป็นเหมือนมนหาสมุทร <c oughs> บ้าแล้วพี่ซูเวยหลอกฉันแน่ๆเลย <c oughs> หลอกก็สินี่ตกลงมีคราบหรือเปล่าผ <c oughs> ิดหน่อยไม่ใช่หลอกมาปาแให <c oughs> โอ๊ยร้องทำไมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> พี่ซูเว์ปาดแรงจังเลยนี่หน้าฉันน่ไม่ใช่นาเค้กนะ เรียบร้อยแนละ้วทีนี้ออกไปเต้นรำได้ยังก็ไปสิแต่ว่าเดี๋ยวขอคล้องแขนหน่อยสิพี่อืมอย่ามากเรื่องนึกเลยนะเออน้าคล้องแขนหน่อยเอาคร้องกมามาซ้ายหรือขวาดีบนล่างเอาไงพิจูเวอ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้หน้าไม่อาย <laughs> ตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment คนมากมายอยู่ในความทุกข์ใจทัทนที่ใจของเขารักกันรักอาจเป็นความสวยงามที่อคนมีฝัน คือของฝันจะฝาหรือคือคำสาคืออย่าดฝนชำเย็นหรือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นคือความรักชิ่มั ความรักแท้จริงเป็นเช่นไรเยังคงไม่รู้ม่เคยผู้ใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่ซ่อนส่อทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจ l a n t f t จากฟ้าหรือคือคำสาคื อ, อียาดฝนชำเย็นห ร, รือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไร ความรักใช่ไหมที่หลายคนร้องอายความรักแท้จริงเป็นเช่นไร่รองคงไม่รู้มิเคยกูใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่สร้างทุกอย่างคือความรักใช่ไหม ทำให้ใจตรงร้าวราทำลายหมดทุกๆอย่างไม่เหลือเลยทำลายหมดทุกๆอย่าง ฉันต้องคอยอย่างนี้คงมอ ง, ง, ถงม้ถึงคงมอง้งถึงความหวังดีงมรีรอรอแล้วรอแล้วรอไม่สิ สายตาเธอมองไม่สถึงความบูชาาฉันศรัทธาเพียงใดน้ำหยดลงหินทุกวันหนมันยังแต่หัวใจอ่อนองเธอทำตสิ่งใดฉันไม่สะทกสะท้าสะเือนเหมือนหัวใจ ฉันไม่หวัน ว, วใครเารักเารอานนลมหายใจของฉันเมื่อไ ร, รอคงจะต้อง We've been waiting for. ยังกรนแต่หัวใจอ่อองเธอทำดูสิได้ฉันไม่สะทกสท้านสเทือนเมือนหัวใจชันไม่หวั่นไหววงใครเขารัก For h a r n love, i e y o a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 รักคำเดียวคำนี้ได้ยินบ่อยฉันยังไม่รู้มันมีความหมายว่าอะไรอาจจะรอ้อนจาแรงมันกำไฟ ใจในเกลียดอาจเป็นฝน t to love really, just once. No t t e r good or ชื่นใจ กองรายการละครวิทยุแม่สเสลียงที่รักนําเสนอโดย Nation Entertainment วันนี้ดูเธอมีความสุขบ้างเลยนะลู้ตัวหรือเปล่ารู้สิคะแล้วคุณเทพหลามมีความสุขหรือเปล่า มีความสุขมากที่สุดในโลกเลยล่ะขนาดนั้นใช่หรอใช่แล้วขนาดนั้นจริงๆนะสีลาฉันดีใจนะที่มีส่วนทําให้คุณเทพมีความสุขฉันเองก็อยากจะขอบใจเธอเหมือนกันขอบใจเรื่องอะไรคะตอนที่เธอทําให้ฉันรักแม่สเสลียมากๆอย่างไรละ่ะรักแม่สเสลียงจริงๆเหรอจริงสิแม่สเสลียงที่รักของฉันอุ้ยน้ น, นนะห้ามรบฉันไปกอดเด็ดขาดเลยทําไมละ่ะคนอื่นกอดกันได้ทำไมฉันกับเธอจะกอดกันไม่ได้อะฮะไม่ได้ ก็ทไมเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานกันนี่คะคนอื่นเขาก็ยังไม่ได้แต่งงานกันเหมือนกันนี่นาแต่คนอื่นยังไงก็ก็ต้องแต่งงานกันเร็วๆนี้แล้วที่ดูสิที่โบสปีเนี้ยจะต้องมีงานวิวาเยอะมากๆเลยตัวทั้งสองคนด้วยคุณเทพคุณพูดอะไรอะก็พูดโดยจริงไงอย่าพูดโดยไม่ทันได้คิดเลยนะมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวถ้าหากว่าคุณเทพทําให้ได้ มันก็จะเหมือนกลืนน้ำลายตัวเองนะคะฉันทบได้แน่นอนฉันสัญญาฉันแต่งงานกับเธอนะศีล่าทินเทพแล้วเธอละศีล่าฉันทําไมล่ะคะเธออยากแต่งงานกับฉันไหมอืมเอออ้ <c oughs> วาวคาอะไรเหรตอบฉันก่อนสิมิอา <c oughs> ้าวข้าหน้าซอบหลายฉันรู้นะที่รีบซบหน้าแบบเนี้ต้องการกลบเลือนอะไรบางอย่างใช่ไหมเห็นไหมรู้หรอกนาะเอาสิ่งเงินได้เห็นหน่อยแล้วไม่ ก็คุณเทพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะพูดอะไรล่ะก็แค่ถามว่าอยากแต่งงานกับฉันไหมก็ตอบฉันสิว่าแต่งหรือไม่แต่งอ่ะไม่แต่งค่ะจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วทีพูดเล่นไปเถอะเดี๋ยวก็เป็นจริงหรอกจะร้องไห้ขี้ ม, มุกบอกรู้ด้วยนะมีทางฉันไม่มีวันร้องไห้ให้คนขี้จุอย่างคนบางกอกอย่างคุณหรอกแม่มันน่าหงสดหงิดจริงๆเลยนะเนี่ยคำขนมบางกอกขี้จุ๊ยสองคำขนมบางกอกขี้จุจุ๊บๆๆซะเลยดีไหมฮะเอ <c oughs> <c oughs> คุณเทพเนี่ยแกล้งกันแบบนี้เลยหรอพ่อรักเรานะแม่เสลียนที่รักนอนแล้วคนอะไรก็ไม่รู้ชอบแกล้งคนอื่นเรื่อยเลยอ่ะสาวดอยแกล้งสายอนยุพูเรื่อยๆเนี่ยใครจะไม่อยากแกล้งล่ะฮะดีรู้ไม่ชีหันมาหน่อยสิไม่เอาอ่ะม่เอาเหรอเหตุแบบเนี้ยต้องกอดได้หายใจไม่ออกซะเลยอนย่านะคุณเทพจะกระิ่ยอ่ะ อ้าวดูสิหัวเราเหมือนคนบ้าแล้วจะไปเที่ยวไหนต่อดีอะคะเราไปรถชิงช้าก็ดีไหมชิงช้าสูงเท่าต้นไม้หน้าเหรอคะอืม่กลัวเหรอถ้ามีเธอนั่งรถชิงช้าด้วยก็ไม่กลัวหรอกปางวานก้นเปรี้ยวอีกแล้วนะคำอะไรคะก็อ่ะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวงอนอีก่ะไปเถอะเราไปนั่งรถชิงช้ากันเถอะได้ค่ะ อะไรแล้ววิ่งแล้วไอ้นีอออ่อย่าดึงมือฉันสิคุณแทบพอ๋ยเดี๋ยวก็หกขมามีลังกาจนได้หรอเฮ้ยนั่งตกตักชนะอุ๊ยนี่เอาอะทำไมอะกลัวตกค่ะชิงช้าสูงมาก โลทีอ่ะเวี่ยงไกลไปถึงหลายเมตรชินะนางตักชั้นกอดกันไว้เนี่ถ้าเราไม่ตกแน่นอนเอหนะ้ามานั่งเร็วถ้าฉันตกคุณเท้ต้องรับผิดชอบด้วยนะจ้ามาเลยจ้าอืมอมืดีมากจ้านายแต่ก้อนหน่อยสิกลัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะตักชั้นไม่มีงูเลื้อยมาฉกลราหน้าอืมก็ฉันเขินนี่เขินอะไรจะเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่แล้วเอาละ่ะให้คนก็ช่วยโลให้นะพร้อมแล้วโลได้เลยหนึส คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี่โปรดเขียน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 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการละครวิทยุยังไม่สายเกินไปท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ไหมในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้สวัสดีครับ